พระพุทธศาสนาของพวกเราที่พวกเรามีศรัท ธ, ธาความเชื่อมีภาษาทาความเลื่อมใสเนี้เปรียบเปรนกับบริษัท้ายประกันบริษัท้ายประกันก็จะมีประกันภัยประกันชีวิตการประกันภัยของพระพุทธศาสนา แล้วการประกันชีวิตของพระพุทธศาสนานี่ก็มีขายในพระพุทธศาสนาเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่การคุ้มครองถ้าเราซื้อประกันชีวิตเขาก็จะคุ้มครองผลประโยชน์เวลาที่เราตายไปก็จะมี ผลประโยชน์มอบให้กับทายาทถ้าเราซื้อประกันภยัยเวลาเราประสบภัยก็มีการชดใช้ค่าเสียหายให้การประกันภัยแล้วการประกันชีวิตของพระพุทธศาสนานี้ก็ต่างกันคือภัยที่ศาสนาจะประกันให้นั้นเป็นภัยของจิตใจ ไม่ใช่เป็นภัยของร่างกายคือไม่ได้คุ้มของภัยทางร่างกายห้อยผ้าขับรถคว่มก็ตายได้นะฮะอันนี้ไม่ได้คุ้มของเดี๋ยวเข้าใจผิดคิดว่าถ้ามีพราซื้อผ้ามาห้อยคอแล้วก็จะปลอดภัยเอาผ้าไปตั้งที่บ้านแล้วไฟจะไม่ไม้น้ำจะไม่ท่วม หรือขโมยจะไม่ขึ้นบ้านอันนี้ไม่ใช่เป็นภัยที่พระพุทธศาสนารับประกันภัยที่พระพุทธศาสนารับประกันคือภัยของจิตใจภัยของจิตใจมีอะไรบ้างก็ไฟนรกไงหรือไฟความทุกข์ของเปรตความทุกข์ของวัสูุละกย หรือความทุกข์ของสัตว์เดรัจฉานอันนี้เป็นภัยของจิตใจที่พระพุทธศาสนาจะรับประกันถ้าจ่ายเบี้ยรประกันให้กับพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาจะรับประกันไม่ให้ไปพบกับภัยของการไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องไปพบกับภยัยไปพบกับความทุกข์ ของเปรตไม่ต้องไปพบกับความทุกข์ของอสุรกายและไม่ต้องพบกับความทุกข์ของนรกอันนี้ศาสนาพุทธรับประกันได้อยู่ที่ว่าเรายอมจะจ่ายเบีย้ยประกันให้หรือไม่เบีย้ยประกันภัยของพุทธศาสนานี่คืออะไรก็คือสีลห้าเนี่ย ถ้ารักษาศีลห้าได้ตลอดเวลา mm hmm. ก็รับประกันได้ว่าตายไปจะไม่ไปเกิดในอบายอย่างแน่นอนจะไม่ เ, เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่เกิดเป็นเปรตไม่เกิดเป็นนสุลกายไม่ตกนรกนะเพราะว่าศีลนี้เป็นเครื่องกัน้น เครื่องกีิดขวางทางที่จะพาให้จิตใจตกลงไปในอบายนอกจากสีหน้าแล้วก็ยังต้องละเว้นการเสพอบายมุกด้วยเพราะการเสพอบายมุกนี้จะเป็นเหตุที่จะทำให้ไปทำบาปต่อไปนั่นเองพออบายมุกนี้ ไม่มีรายรับไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายถ้ามีแต่รายจ่ายต่อไปเงินทองก็จะไม่พอใชอ้ก็จะต้องหาเงินทองโดยวิธีทำบาปวันนี้ฝนตกพอดีใครอยากจะขยับขยายก็เชิญข้างบนศาลานี้ก็มีที่นั่งหรือจะไปนั่งที่ข้างหลังก็ได้มีสองหลังด้วยกัน ช่วยเก็บกล่องเข้ามาข้างในหน่อยอาจจะตกเดียวเดียวก็ได้พอพอคนหลบปั๊บ ก, ก็หยุดตกนะฝนเห็น <c oughs> ไหมหยุดละ <c oughs> หยุดละขนหลอกขนเทียมนนะถ้าเรา ไม่ต้องการที่จะไปรับภัยของจิตใจหรือถ้าไม่อยากจะไปเกิดเป็นสัตว์ที่ลาชานไม่อยากไปเกิดเป็นเปรตเป็นนสุลกายหรือไปตกนรกเราต้องซื้อประกันภัยของพระพุทธศาสนาล้วถ้าเราจ่ายเบี้ยรประกันครบตามที่กาหนดไว้ เราก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายกันต้องรักษาสี่ท่าต้องละการเสพอบายมุกเพราะเวลาเสพอบายมุกนี้จะมีแต่เสียเงินเสียทองเราจะไม่ไปทำงานทำมาหากิน<ม>ก็จะไม่มีรายได้ที่สุดจริตมา จุนเจือมาสนับสนุนการเสพบายามุกแล้วการเสพบายามุกนี้เมื่อเสพแล้วมันก็จะติดมันจะเลิกยากเวลาไม่ได้เสพมันก็จะทุกข์ทรมานใจมันก็จะบีบบังคับให้ไปทําบาปคือไปหาเงินโดยวิธีทําบาปไปลักขมโมยไปช่อโกงไปโกหกหลอกลวง พอไปทําบาปทีนี้ก็ไม่ได้จ่ายเบี้ยรประกันนะพอไม่ได้จ่ายเบี้ยรประกันถึงเวลาก็ไม่คุ้มของไม่มีประกันก็ไม่คุ้มของถ้าเราไปซื้อประกันแล้วเราขาดจ่ายเบี้ยรประกันเวลาจะเกิดอุบัติเหตุก็บอก เ, อเสียใจคุณไม่ได้จ่ายเบี้ยรประกันเราก็ไม่สามารถที่จะ ชดใช้ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุได้นี่แหละคือประกันประกันภัยของพระพุทธศาสนาป้องกันให้จิตใจของพวกเรานี้ที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายที่ต้องไปเกิดในอบายกันก็เพราะไม่ได้ซื้อประกันภัยนี้ไว้นั่นเองไม่ได้รักษาศีลห้าไม่ได้ละเว้นการเสพบอบา ย, ยมุกต่งตางๆ ดังนั้นควรที่จะมาถ้าเราไม่อยากจะต้องไปเกิดในอบายเราต้องมาหัดรักษาศีลห้ากันข้อที่หนึ่งอย่าฆ่าสัตว์สัตว์ทุกชนิดทุกประเภทสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่สัตว์เดรัจฉานหรือมนุษย์นี่ถือว่าบาปทั้งนั้นต่างกันตรงที่บาปมากบาปน้อยเหมือนกับเวลารถชนกัน ก็มีมีเสียหายมากเสียหายน้อยบางทีแค่ชนท้ายอย่างนี้ก็เปลี่ยนบางโครนหรืออะไรบางส่วนก็บางทีก็ลดความไฟไหม้เสียหายทั้งคันรถเนี่ยฉั้นค่าเสียหายมันก็มีมากน้อยฉันใดการทำบาปก็มี มีผลเสียหายมีโทษมากมีพระโทษน้อยตามกันมาตามหลักของของกฎแห่งกรรมนี่ถ้าฆ่าสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์มากก็จะมีโทษมากถ้าฆ่าสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์น้อยก็จะมีโทษน้อ ย, เ, ยเช่นถ้าเราฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยเชื่องพจนเครื่อ พวกมดแมลงอย่างนี้เขามีคุณประโยชน์น้อยโทษก็จะน้อยกว่าไปฆ่าสัตว์ใหญ่ที่มีคุณประโยชน์เช่นไปฆ่าสุนัขที่เฝ้าบ้านให้เราอย่างนี้เขามีคุณประโยชน์กับเราหรือถ้าเราเป็นชาวนาชาวไร่เราไปฆ่าวัวฆ่าควายที่เขารับใช้เราทำงานให้กับเรา เขามีคุณค่ามากไปฆ่าสัตว์ที่มีคุณค่ากับเรามีบุญคุณกับเราก็จะมีโทษหนักกว่าฆ่าสัตว์ที่ไม่มีคุณบุญคุณกับเราเช่นมดมแมลงเพราะนอกจากไม่เป็นบุญคุณแนละ้วยังเป็นพิษเป็นภัยกับเราโทษจึงน้อยกว่าที่ไปฆ่า สัตว์หรือมนุษย์ที่มีคุณมีบุญคุณกับเรานะเช่นการฆ่ามนุษย์นี่ฆ่าคนที่เราไม่รู้จักเช่นขโมยนะขโมยขึ้นบ้านเราก็ไม่เราก็ยิงปืนได้เขาพอดีไปถูกเข้าตายการฆ่าขโมยบาปไมยบาปแต่บาปน้อยกว่าการฆ่าคนที่มีบุญคุณกับเรานะ ฆ่าพ่อฆ่าแม่อนี้ถือว่าบาปหนักมากบาปที่หนักที่สุดก็คืออนันตริยกรรมมีอยู่ห้าข้อด้วยกันคือหนึ่งฆ่าพ่อสองฆ่าแม่สามฆ่าพระอรหันต์สี่ฆ่สี่ทำให้พระพุทธเจ้าพ่อเลือดและห้าทำให้สงแตกแยกกัน อันนี้ถือว่าเป็นการกระทำที่บาปหนักเพราะไปทำลายสิ่งที่มีคุณค่ามีบุญมีคุณกับพวกเรามากพ่อแม่ก็มีบุญคุณผู้ให้ชีวิตกับเรามาพออาระอรหันต์ก็เป็นผู้ที่จะช่วยให้เราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดยิ่งพระพุทธเจ้านี่ยยิ่งมีคุณมากที่สุด แม้จะไม่ได้ฆ่าพระพุทธเจ้าเพียงแต่ปองร้ายทำให้พระพุทธเจ้าหอเลือดแท่นี้ก็ถือว่าได้เท่ากับฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระ อ, อราหันต์และการทำให้สงแตกแยกทำให้สงล่มสลายก็เป็นบาปหนักเพราะว่าสงเป็นสถาบันที่จะช่วยเหลือพวกเราสั่งสอนเรื่อง บุญเรื่องกุศลเรื่องบาปเรื่องกรรมเพื่อที่จะช่วยให้เราได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันนี่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากถึงแม้จะไม่ได้เป็นคนคือไม่ได้เป็นสิ่งที่มีชีวิตเหมือนกับร่างกายแต่สถาบันสงฆ์นี่อยู่ไว้เพื่อทำคุณทำประโยชน์ให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเรา ถ้าไม่มีสถาบันสงฆ์ไม่มีพระพุทธศาสนาพวกเรานี้จะไม่รู้เรื่องบาปบุญคุณโทษไม่รู้เรื่องนรกเรื่องสวรรค์ไม่รู้เรื่องการเวียนว่าตายเกิดไม่รู้วิธีที่จะทำให้เราได้ยุติการเวียนว่าตายเกิดได้ถ้าเราไปทำลายสถาบันอันประเสริฐนี้คือทำลายพระพุทธศาสนา ก็เท่ากับค่าพ่อค่าแม่หรือค่าพาาระอรหันต์หรือทำให้พระพุทธเจ้าหอบเลือเนี่ยนี่คือพูดเปรียบเทียบให้ฟังว่าบาปนี้มีหลายหลายระดับด้วยกันมีโทษหนักมีโทษเบาแต่ก็เป็นบาปทั้งนั้นถึงแม้ว่าจะมีเจตนาที่ดีเช่นเลี้ยง เลียงสัตว์เลี้ยงแล้วเขาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วรักษาไม่หายเราก็ฉีดยาให้เขาตายเลยเพราะเขาจะได้ไม่ท้งทรมานแต่นี่ก็เป็นการกระทำบาปเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการทำบาปด้วยความเมตตาหรือด้วยความโหดร้ายทารุณก็บาปเหมือนกันเป็นการฆ่าเหมือนกันหรือฆ่าคนที่ นักษาโลกไม่หายแล้วก็มีความทุกข์ทรมานมากก็ถ้าให้ถ้าหมอฆ่าให้หมอก็บาปถ้าคนไข้สั่งให้หมอฆ่าคนไข้ก็บาปหรือคนที่มีความทุกข์มากๆไม่มีรู้จักวิธีออกจากความทุกข์ก็คิดฆ่าตัวตายอันนี้ก็บาป การฆ่าตัวตายก็บาปการฆ่าคนอื่นก็บาปแต่จะบาปหนักบาปน้อยนี่ขึ้นอยู่กับว่าคนที่เราฆ่าสิ่งที่เราฆ่านั้นมีคุณมีประโยชน์มากหรือน้อยการฆ่าตัวเรานี้มีโทษหนักเพราะเราฆ่าสิ่งที่มีคุณประโยชน์กับเรามากคือร่างกายของพวกเรานี่พวกเราต้องอาศัยร่างกายนี้ พาให้เราไปทำอะไรต่างๆไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้แต่พอร่างกายมันไม่สามารถทำหน้าที่ได้ก็เลยฆ่ามั น, นอันนี้ก็เป็นการทำบาปไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาเป็นการเพิ่มโทษคนที่คิดฆ่าตัวตายนี่คิดว่าฆ่าแล้วจะทำให้ ความทุกข์หายไปอันนี้เป็นความเข้าใจผิดการฆ่าตัวตายนี้จะเพิ่มให้มีความทุกข์ใหม่อีกข้อหนึ่งคือข้อฆ่าตัวตายนี่การฆ่าอาจจะพ้นจากความทุกข์ที่มีอยู่ในปัจจุบันเช่นโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายเจ็บปวดพอฆ่าร่างกายแล้วร่างกายความเจ็บปวดของร่างกายก็หายไปหมด สาใจไปเพิ่มโทษที่ใจไปทำบาปที่ใจจะต้องไปรับผลบาปในอบายนี่คือตัวอย่างของการทำบาปมีหลายลักษณะมีหนักมีเบาข้ออื่นก็เหมือนกันบาปที่ลองลงมาจากการฆ่าก็คือการลักทรัพย์การลักทรัพย์ของผู้อื่น ก็มีหนักมีเบาขึ้นอยู่ว่ารักมากรักน้อยรักทรัพมากก็โทษกนหนักกว่ารักทรัพน้อยการประพฤติผิดวันนี้ประเพณีก็เหมือนกันก็เป็นการกระทำบาปเพราะเป็นการเอานิสัยของสัตว์เดรัจฉานมาใช้นั่นเองสัตว์เดรัจฉานานี้เขาจะไม่มีประเพณีในการร่วมเพศกัน เวลาเขามีความอยากจะร่วมเพศเขาเจอตัวไหนใกลเ้เขาเขาคว้ามาได้เขาก็จะคว้ามาแต่ถ้าเป็นมนุษย์นี้มนุษย์จะมีประเพณีไม่จะร่วมเพศนี้จะต้องร่วมเพศกับผู้ที่เป็นคู่ครองของตนเป็นสามีเป็นภรรยากันเพราะว่ามนุษย์นี้มีความรู้ที่ฉลาดว่า การที่จะลู้ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ยาวนานและเป็นที่พึ่งพาอาศัยของกันละกันนี้ต้องไม่นอกใจกันต้องมีความซื่อสัตย์ต่อกันละกันเพราะมนุษย์เหล่านี้รู้ว่าอยู่คนเดียวมันอยู่ไม่ได้ต้องอยู่กันร่วมกันช่วยกันสามีช่วยภรรยาภรรยาช่วยสามีกันไป เวลาใครเจ็บป่วยก็ดูแลกันไปได้แต่ถ้าอยู่คนเดียวเวลาอยากจะไปร่วมหลับนอนกับใครก็ไปร่วมหลับนอนกันชั่วครั้งชั่วคราวไม่ได้อยู่กันเป็นแบบคู่ครองกันเวลาเดือดร้อนขึ้นมาก็ไม่มีใครมาช่วยเราไม่มีใครมาดูแลเราถ้าอยู่แบบสามีภรรยาก็จะมีลูกมีหลาน มีครอบครัวที่จะมาช่วยกันดูแลกันเพราะว่าคนเรานี้อยู่คนเดียวไม่ได้มนุษย์เรานี้ต้องพึ่งพาอาศัยกันและบุคคลที่เราพึ่งพาอาศัยได้อย่างอย่างมั่นใจก็คือคนที่อยู่ในครอบครัวเรานี่เรคนที่ไม่อยู่ในครอบครัวเรานี้เราไม่มั่นใจว่าเขาจะมาทำร้ายเราหรือไม่แต่คนที่เป็น สมาชิกของครอบครัวไม่ว่าจะเป็นสามีหรือภรรยาเป็นบุตรหรือเป็นทิดาเป็นหลานนี่เราเชื่อใจเขาได้เขาไว้ใจเขาได้ว่าเขาจ ะ, ะไม่มาทำร้ายเรานี่คือประเพณีของมนุษย์มนุษย์นี้จะไม่ประพฤติผิดประเวณีถ้าประพฤติผิดประเวณีนี้ก็ลดลดระดับของ ขอจิตใจเราไปสู่ระดับของสัตว์เดรัจฉา น, นการทําบาปไม่ว่าจะข้อไหนนี้ก็เป็นการลดระดับจิตจากมนุษย์ลงไปสู่เดรัจฉานหรือไม่เช่นั้นก็เป็นไปเป็นเปรตเป็นอสุ ร, รกายาไปนรกตามเหตุผลของการทําบาปเนี่ยถ้าทําบาปด้วยความไม่รู้ด้วยความหลงก็จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉาน ทำบาปด้วยความโลภก็จะไปเป็นเปรตนะทำบาปด้วยความกลัวก็จะไปเป็นนสุลกายทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทก็จะไปนรกนะนี่คือเรื่องของภัยของจิตใจที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามถ้าลอง ไปทำแล้วเดี๋ยวก็จะต้องได้ไปรับผลทำไมโลกเราจะมีสัตว์เดรัจฉานเต็มไปหมดทำไมไม่มีแต่มนุษย์อย่างเดียวก็เพราะว่าในอดีตของจิตใจของสัตว์เดรัจฉานเขตอนที่เขาเป็นมนุษย์เขาเขาไม่รู้กฎแห่งกรรมเขาไม่เชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญเขาอยากจะทำอะไรตามความอยากของความต้องการของเขาเขาก็ทำไป เพรเขาคิดว่าตายแล้วศูนกันคิดว่าพอร่างกายตายไปแล้วจะจะมีใครไปรับผลบุญผลบาปกันนรกอยู่ที่ไหนสวรรค์อยู่ที่ไหนก็มองไม่เห็นผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาปก็มองไม่เห็นว่าเป็นใครคิดว่าเป็นร่างกายร่างกายเมื่อตายไปแล้วมันก็นอนอยู่เฉยๆแล้วถ้าทิ้งไว้เดี๋ยวมันก็เน่าเปื่อย ล้าก็จะกลายเป็นดินกลายเป็นอะไรไปถ้ า, าไปเผาก็กลายเป็นขี้เถ้าไปก็เลยไม่เชื่อเรื่องเรื่องการตายแล้วไปเกิดใหม่ก็จะไม่กลัวเรื่องการทบาบาปถ้ามีเหตุบังคับให้ทบาบาปเช่นไม่มีอาหารกินก็อาจจะไปยิงนกตกปลามาเอามาเป็นอาหารอันนี้ เพราะว่าต้องต้องเอาตัวให้อยู่รอดให้ได้ก่อนงั้นก็เลยไม่กลัวเรื่องการทําบาปไม่เชื่อเรื่องบาปหรือไม่รู้ว่าบาปนี้มีหรือไม่พวกนี้เขาเรียกว่าทําบาปด้วยความหลงเอก็เป็นเหมือนพวกสัตว์เดรัจฉานเนี่ยพวกสัตว์เดรัจฉานเขาก็ไม่รู้เรื่องกฎแห่งกรรมไม่รู้เรื่องบาปเรื่อบุญเขาก็ทําตามความอยากของเขาเวลาอยากกินอะไรเขาก็ถ้ามี สัตว์ตัวร ก, กว่าเขากัดกินได้เขากัดกินถ้ามีอาหารของใครปล่อยวางไว้เขาก็อาจจะไปคาบมากินไปขโมยมากินเวลาเขาอยากจะเสพกามเขาอยู่ใกล้กับตัวไหนเขาก็จะไปเสพกับตัวนั้นอันนี้มนุษย์เดี๋ยวนี้ก็มีลักษณะคล้ายๆกันะเวลาอยากเสพกามก็ไปตามบาตามผับกัน เดี๋ยวไปเจอโดูไหนถูกใจกันก็ไปร่วมเสพกามกันเสกแล้วก็แยกทางกันไปตัวใครตัวมันสัตว์ก็เหมือนกันเวลามันอยากจะเสพกามมันก็เสกกันไปพอมันไม่พอมันเลิกมันก็ไปคนละเพศคนละทางกันแต่มนุษย์เรานี้ถ้าเป็นมนุษย์เราไม่ทำอย่างนั้นเราจะเสพกับผู้ที่จะเป็นคู่ครองของเรา เป็นเป็นผู้ร่วมชีวิตกับเราเป็นผู้ที่จะมาช่วยสร้างครอบครัวสร้างที่พึ่งทางทางชีวิตของเราเพราะว่าถ้าอยู่คนเดียวนี้ถ้าเราเป็นอะไรไปนี้จะไม่มีใครมาช่วยเหลือมาดูแลเราแต่ถ้าเรามีครอบครัวมีสามีมีภรรยามีบุตรมีธิดาเราก็จะมีผู้ที่มาคอยผัดกันดูแลกัน นี้คือเรื่องประเพณีของมนุษย์กับประเพณีของสัตว์เดรัจฉานถ้ามนุษย์เอาประเพณีของสัตว์เดรัจฉานมาใช้ก็เท่ากับลดสถานภาพของมนุษย์ไปสู่การเป็นสัตว์เดรัจฉานนั่นเองเช่นเดียวกับการลดฐานะจากมนุษย์ไปเป็นเปรตพวกที่ทําบาปด้วยความโลภนี่ยก็จะไปเป็นเปรต จะเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหิวโหวยอยู่ตลอดเวลาเพราะความโลภนี้มันจะทําให้รู้สึกไม่พอไม่อิ่มนั่นเองได้อะไรมามากน้อยเพียงไรก็ไม่อิ่มไม่พอเพราะอยากจะได้เพิ่มอยากจะได้มากกว่านี้เฮ้พอตายไปดวงวิญญาณที่ทําบาปด้วยความโลภก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหิวโหวยเขาตั้งชื่อดวงวิญญาณชนิดว่าเปรตนะ ส่วนพวกที่ทำบาปด้วยความกลัวเนะี่กลัวว่าจะถูกเขาทำร้ายถูกเขามาทำให้เราทุกข์ไม่สบายก็เลยทำร้ายเขาก่อนเช่นกลัวมดก็ฆ่ามดกลัวยุงก็ฆ่ายุงกลัวสัตว์เลือ้อยคลานก็ฆ่าสัตว์เลือ้อยคลานเวลาเจอกันนะอันนี้ก็จะถูกความกลัวคุ้มห่อจิตใจเป็นพวกพวกมี ม, มีความหวาดกลัวอยู่ในใจตลอดเวลาเวลาตายไปดวงวิญญาณนี้ก็จะอยู่กับความกลัวมีแต่เรื่องหวาดเสียวนะ่าหวาดกลัวมาให้กลัวอยู่เรื่อยๆส่วนพวกที่ทำบาปด้วยการอาฆาตพยาบาทโดยการฆ่าผู้อื่นด้วยความเครียดแค้นด้วยการร่างแค้นหรือไม่ฆ่าแต่ทำร้ายร่างกาย ที่เขาเรียกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ยเขาทําเราเราทําเขาอันนี้มันก็จะทําให้จิตใจนี้ร้อนด้วยความอาฆาตพยาบาทเวลาตายไปดวงวิญญาณก็จะเป็นดวงวิญญาณที่ร้อนด้วยไฟของพยาบาทไฟของอาฆาตอันนี้คือภัยต่างๆของจิตใจของพวกเราพวกเราจะเชื่อหรือไม่ก็ตามะ ตามหลักคำสอนพวกเราไม่ได้เป็นร่างกายเนะ่ยร่างกายนี้เป็นเพียงผู้รับใช้เราเรานี่คือจิตใจหรือคือดวงวิญญาณที่มาเกาะร่างกายมาใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือพาเราไปทำอะไรต่างๆถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนกับมา้านะส่วนคนขี่มา้านี่ก็เป็นเหมือนจิตใจนะ เป็นคนละคนกันเวลาม้าตายไปคนขี่ม้าไม่ได้ตายไปกับมา้าคนขี่ม้าก็ต้องไปหาม้าอันใหม่มาขี่ต่อระหว่างทางก็จะต้องไปรับโทษหรือรับผลประโยชน์จากการกระทาถ้าทำบุญก็จะไปได้รับผลบุญถ้าทำบาปก็จะไปได้รับผลบาป เราคือจิตใจผู้รู้ผู้คิดเนี่ยผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆร่างกายมาไม่ได้มาที่นี่เองวันนี้ร่างกายมาที่นี่ได้เพราะเราสั่งเหมือนคนขี่มา้าถ้าไม่สั่งให้มา้าไปที่นั่นที่นี่ม้ามันไม่ไปเองนะร่างกายนี้ถ้าเราไม่สั่งให้มันมาที่นี่มันก็ไม่มาที่นี่เนี่ยผู้ที่สั่งนี้ไม่ใช่ร่างกาย แต่เราเหมาว่าเป็นอันเดียวกันเราเหมาว่าจิตใจกับร่างกายนี้เป็นอันเดียวกันเราคิดว่าพอร่างกายตายไปจิตใจผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆก็จะตายไปกับร่างกายด้วยแต่ความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพิสูจน์แล้วว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นความจริงความจริงคือจิตใจกับร่างกายนี้เป็นคนสองคน เป็นเหมือนแฝดแฝดพี่แฝดน้องจิตใจนี้เป็นเหมือนแฝดพี่ร่างกายนี้เป็นเหมือนแฝดน้องร่างกายมีรูปร่างหน้าตามีอาการสามสิบสองแต่จิตใจไม่มีรูปร่างหน้าตามีแต่ความรู้สึกนึกคิดต่างกันตรงนี้ร่างกายไม่มีความรู้สึกนึกคิด ร่างกายมีอาการ32มีผมขนเละฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแต่จิตใจไม่มีร่างกายไม่มีผมขนเลบฟันจิตใจมีแต่ความรู้สึกนึกคิดทีนี้จิตใจเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นกันจิตใจก็เลยไปเหมาว่าจิตใจกับร่างกายเป็นอันเดียวกันร่างกายนี้มันไม่มีมันไม่รู้อะไรมันไม่ได้คิดมันไม่รู้อะไร ผูที่รู้ที่คิดนี้คือจิตใจแต่เนื่องจากมองไม่เห็นตัวของจิตใจเองก็เลย ไ, ไปเหมาคิดว่าตนเองเป็นร่างกายไปอย่าพวกเราทุกคนเหมาคิดกันว่าร่างกายนี้เป็นเปิดตัวเราของเราแล้วเราก็จะคิดว่าเวลาร่างกายนี้ตายไปเราก็ตายไปกับร่างกายแต่ความจริงเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายะ เวลาร่างกายตายไปก็เหมือนกับตอนที่เรานอนหลับนะตอนที่ร่างกายนอนหลับนี่ผู้รู้ผู้คิดไม่ได้หลับไปกับร่างกายนะผู้รู้ผู้คิดก็ไปเที่ยวต่อไปท่องเที่ยวในโลกของความฝันนี่ เ, นเวลาเรานอนหลับเราก็ไปฝันกันต่อ เพราเราชอบทำนู่นทำนี่ชอบไปเที่ยวที่นู่นที่นี่เมื่อเวลาที่ร่างกายนอนหลับเราก็ไม่สามารถใช้ร่างกายพาเราไปเที่ยวได้เราก็เลยใช้ใช้ความฝันพาเราไปเที่ยวกันเวลาเรานอนหลับเราก็ฝันว่าเราไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไปเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปพบกับคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้มีทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่ไม่ดีตามหลัก ที่พระตาจ้าไดยส่งคนพบว่าถ้าเราเจอเรื่องที่ดีก็เพราะว่าตอนที่เราตื่นเราทำแต่เรื่องที่ดีไว้จะถ้าเราทำบุญทำความดีเราก็จะบันทึกเหตุการณ์ที่ดีไว้ในใจเราพอเรานอนหลับใจมันก็จะผลิตเรื่องที่ดีมาให้เราฝันกันทำให้เราฝันดีฝันว่าเราไปไปพบกับสิ่งที่ดีๆต่างๆถ้าเราทำบา เวลาเรานอนหลับฝันไปเราก็จะฝันไม่ดีฝันร้ายฝันว่าไปเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีหน้าหวาดเสียวหน้าหวาดกลัวต่างๆอันนี้แหละคือจิตใจไม่ใช่ร่างกายนั้นเวลาที่ร่างกายตายไปหรือนอนหลับนี้จิตใจยังสามารถที่จะไปไหนมาไหนในในโูกของความฝันได้ ฝันดีก็ได้ฝันไม่ดีก็ได้ฝันไม่ดีก็แสดงว่าเป็นดวงวิ ญ, ญญาณที่ไม่ดีเป็นดวงวิ ญ, ญญาณที่มีความทุกข์ฝันฝันฝันไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องความหิวโหวยอดอยากขาดแคลนก็แสดงว่าเป็นดวงวิ ญ, ญญาณที่เป็นเปรตถ้าฝันว่ามีแต่ภัยอะไรต่างๆมาคุกคามอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็ ถือว่าเป็นนุสุลกายแต่ถือว่าถ้าฝันไปถึงเหตุการณ์ที่มีการนั่งแค่งกันฆ่าฟันกันไม่หยุดไม่ย่อนอันนี้ก็เป็นนรกดวงวิญญาณก็อยู่ในนรกหรือฝันแต่เรื่องที่เป็นอ่าเป็นเป็นทุกข์เป็นอันตรายตอ่อจิตใจหรือถ้าไม่เช่นนั้นก็ไปได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานก็ไปอยู่แบบสัตว์เดรัจฉานอยู่กันไป นี่แหละคือภัยของจิตใจที่พระพุทธเจ้าส่งตัดสรู้ส่งค้นพบและรู้วิธีป้องกันภัยเหล่านี้วิธีป้องกันภัยก็คืออย่าไปทำบาปไนเมื่อการทำบาปจะพาให้เราไปอาบายถ้าเราไม่ทำบาปมันก็จะไปอาบายไม่ได้เหมือนกับนั่งรถเนี่ย ถ้าขึ้นรถคันนี้แล้วรู้ว่าจะพาเราไปกรุงเทพเนี่ยถ้าเราไม่ต้องการไปกรุงเทพเราก็อย่าไปขึ้นรถคันนี้ถ้าเราต้องการไปเชียงใหม่เราก็เปลี่ยนขึ้นรถที่จะพาเราไปเชียงใหม่นี่ก็เช่นเดียวกันจิตใจของเรานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตใจของเราจะต้องไปต่อจะต้องไปหาร่างกายอันใหม่ในช่วงเวลาที่ จะได้น่างกายอันใหม่มาก็แวะไปรับผลบุญผลบาปก่อนถ้าทำบาปก็จะต้องไปอยู่ในอบายเหมือนไปติดคุกติดตารางในโลกทิพย์เนี่ยจิตใจนี้เป็นร่างทิพย์กายทิพย์ที่เวลาไม่มีร่างกายก็จะต้องไปรับผลบุญผลบาปที่ได้ทำไว้ในขณะที่มีร่างกายอยู่แล้วพอพ้นจาก โทษเดิ้พ้นจากบุญที่ได้รับแล้วก็จะมารับร่างกายอันใหม่มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็จะมาทําบุญทําบาปต่อใบใหม่มาเกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายให ม, ม่จึงมีประกันชีวิตตามมาพระพุทธศาสนานอกจากรู้วิธีประกันภัยของจิตใจแล้วไม่ให้ไปเกิดนะอบายแล้วยังรู้วิธีที่จะทําทให้ไม่ต้องมา เกิดแก่เจ็บตายอีกด้วยไม่ต้องมาตายการประกันชีวิตของพระพุทธศาสนานี้ไม่ได้ประกันชีวิตปัจจุบันเนี่ยชีวิตของพวกเราปัจจุบันนี้พระพุทธศาสนาประกันไม่ได้ต้องตายด้วยกันทุกคนแต่ชีวิตต่อไปนี้ประกันได้คือคือจะทำให้เราไม่ต้องมาตายได้ก็คือการไม่ให้เรามาเกิดนั่นเอง ถ้าเราไม่กลับมาเกิดเราก็จะไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายพระพุทธศาสนารู้เหตุที่พาให้เรามาเกิดแก่เจ็บตายว่าเกิดจากอะไรและรู้วิธีที่จะหยุดเหตุนี้ที่จะทำให้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปถ้าเราอยากจะไม่ต้องการที่จะกลับมาตายอยู่แล้วอยู่หลายๆรอบ เกิดกี่ครั้งก็ต้องตายทุกครั้งไปถ้าไม่ต้องการที่จะมาตายก็อย่ามาเกิดวิธีที่จะไม่มาเกิดก็ต้องจ่ายเบียยเบ้ยรประกันของพระพุทธศาสนาเบีย้ยประกันของพระพุทธศาสนาอันนี้ก็คือการที่เราจะต้องฆ่ากิเลสตัณหาตัวที่พาให้จิตใจของพวกเรามาเกิดกันนั่นเอง และเครื่องมือที่จะใช้ในการฆ่ากิเลสตัณหาเราก็เรียกว่าภาวนาจิตตะภาวนาคือการหยุดจิตหยุดไม่ให้หยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในจิตการหยุดความอยากต่างๆนี่ก็มีสองระดับด้วยกันระดับชั่วคราวกับระดับถาวรก่อนที่จะไปหยุดความอยากแบบถาวรได้ ต้องหยุดความอยากแบบชั่วคราวให้ได้ก่อนเพราะมันง่ายกว่ากันนั่นเองเหมือนกับเรียนหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ก่อนที่จะไปคูณไปหารได้นี่ต้องบวกลบให้ได้ก่อนออถ้าบวกลบไม่เป็นนี้จะไปคูนหารไม่ได้ยกเว้นสมัยนี้มีเครื่องคิดเลขกดเพียงแต่รู้จักฎกดอย่างเดียว แต่กฎก็ไม่รู้ว่าตัวเลขที่ได้มานี้ถูกหรือผิดนะถึงแม้ว่าจะหารได้ใช้เครื่องหารได้แต่ไม่รู้ว่าตัวเลขนี้ถูกหรือไม่ถ้าไม่รู้จักวิธีหารมาก่อนอก่อนที่จะมาคูณมาหารได้นี่ต้องไปหัดบวกบวกลบให้เป็นก่อนแทนใดการที่จะหยุดความอยากได้อย่างถาวรต้องรู้จักวิธีหยุดความอยากแบบชั่วคราวให้ได้ก่อน ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องมาตายอยู่เรื่อยๆก็ต้องหยุดเหตุที่จะพาให้พวกเรามาเกิดกันเหตุที่จะพาให้พวกเรามาเกิดนี่พระพุทธเจ้าทรงคพรพบว่าคือความอยากสามประการด้วยกันคือกามะตันหาควาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสภาวะตันหาความอยากมีอยากเป็นวิภวะตันหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็น ความอยากทั้งสามนี้มีอยู่ในใจของพวกเราทุกคนเดี๋ยวก็อยากจะดูไว้นั่นเดี๋ยวก็อยากจะฟังไม่นี่อยากจะไปกินแม่นนนอยากจะไปดื่มไม่นี่อันนี้คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นของอาหารของข น, นมของเครื่องดื่มอยากดูภา พ, พยนตร์อยากฟังเสียงร้องเพลงอยากดูการเล่นอะไรต่างๆที่ทำให้เกิดความเพลิดเพลินบันเทิงใจ เป็นการเสพความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายที่พวกเราติดกันเหมือนกับติดยาเสพติดการที่เราจะเสพการได้เราก็ต้องมีร่างกายมีตามีหูมีจมกูกมีลิ้นมีกายก็ต้องมีร่างกายแต่พอมีร่างกายแล้วมันก็มีความแก่ความเจ็บความตายตามมานั่นเอง ถ้าเราไม่อยากจะมีความแก่ความเจ็บความตายเราก็ต้องไม่มีร่างกายไม่ต้องมาเกิดเมื่อไม่จะไม่มีร่างกายได้ก็ต้องหยุดความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขนั่นเองต้องหยุดหาความสุขจากการดูหนังฟังเพลงหาความสุขจากการดื่มการรับประทานอะไรต่างๆดื่มได้รับประทานได้ เพื่อความตามความจําเป็นของร่างกายแต่ห้ามดื่มห้ามรับประทานตามความอยากของความอยากถ้าดื่มด้วยทำด้วยความอยากมันจะทําให้เราติดแจะทําให้เราต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราดื่มหรือเรากินเพื่อดูแลร่างกายไ ม, ไ, ไ, มไม่ได้ดื่มไม่ได้กินด้วยความอยากมันก็จะไม่มีความอยากที่จะดึงให้กลับมาเกิดได้นี่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์นี่ ท่านก็ยังกินอยู่ท่านก็ยังดื่มอยู่แต่ท่านกินท่านดื่มแป บ, บเป็นยาให้กับร่างกายมีเวลาเหมือนกับกินยาเวลากินยานี่เราไม่ได้กินพร่มเพื่ออยากจะกินเมื่อไหร่ก็กินกินยาเราก็ต้องดูเวลาและดูปริมาณตามที่หมอสัง่งอันนี้ก็เหมือนกันการกินการดื่มของพระพุทธเจ้าพาาระอรหันต์ท่านก็เหมือนกับกินยามีเวลาเนี่ย ท่านกินนะกินวันละมือ้อเท่านั้นเองกินอาหารวันละมือ้อแล้วก็มีปริมาณไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปส่วนน้ำก็ดื่มตามความกระหายของร่างกายกระหายเมื่อไหร่ก็ดื่มไปเวลาไม่กระหายก็ไม่ได้ดืม่มแต่ไม่มีความคิดอยากจะดืม่มน้ำที่มีรสมีชาตมีกลิ่นมีสีเพราะอันนี้มันเป็นความอยาก น, นี่คือ การหยุดความอยากทางการแล้วก็ต้องหยุดความอยากมีอยากเป็นพวกเราทุกคนมาเกิดแล้วก็อยากจะเป็นนู่นเป็นนี่กันอยากล่ามอยากรวยอยากสวยอยากงามอยากเป็นใหญ่เป็นโตกันอันนี้มันก็จะเป็นตัวดึงให้เรากลับมาเกิดกันความอยากไม่เจอกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่ไม่ดีก็เป็นตัวที่จะผลักดันให้เรา นีจากร่างกายอันนี้ไปหาร่างกายอันใหม่พอ ร, ร่างกายนี้ไม่ดีก็ฆ่ามันเสียถ้ามันแล้วจะได้ไปเกิดใหม่ไปได้ร่างกายอันใหม่ที่ดีกว่านี่คือความอยากที่จะมาคอยฉุดลากจิตใจของพวกเราให้กลับมามีร่างกายอันใหม่มีการเกิดใหม่เมื่อมีการเกิดใหม่ก็จะต้องมีการแก่การเจ็บการตายตามมา ถ้าซื้อประกันชีวิตของพระพุทธศาสนาก็ต้องจ่ายเบีย้ยประกันก็คือต้องมาปฏิบัติจิตภาวนามาหยุดความอยากต่างๆในสองระดับหยุดความอยากในระดับชั่วคราวก่อนเพราะมันง่ายกว่าการหยุดความอยากแบบถาวรเบื้องต้นก็มาฝึกหยุดความอยากด้วยการหยุดความคิดเพราะความอยากนี้ต้องใช้ความคิด เป็นเครื่องมือนั่นเองถ้าไม่คิดถึงขนมก็จะไม่อยากขนมอย่างตอนนี้เรานั่งอยู่ตรงนี้เฉยๆเราไม่ได้คิดถึงขนมไม่ได้คิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ความอยากที่จะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็ยังไม่เกิดแต่ถ้าเราไม่ได้ฟังเทศเราไปนั่งเฉยๆเราไปนั่งคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เดี๋ยวเราก็อยากเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาหรือเห็น ใครมีอะไรชอบก็อยากจะได้ขึ้นมาเห็นก็มีกระเป๋าสวยก็อยากจะได้ขึ้นมา ท, าทันทีแต่ถ้าไม่ได้เห็นไม่ได้คิดถึงกระเป๋าความอยากจะได้กระเป๋ามันก็ยังไม่มีนี่คือเหตุที่จะทำให้เราเกิดความอยากขึ้นมาก็คือการคิดนี่เองดังั้นถ้าเราหยุดความคิดได้เราอาจจะคิดว่าเป็นไปได้ยังไงที่เราจะหยุดความคิด ว่าเราต้องอยู่กับความคิดมาตั้งแต่ตื่นเนี่ยว่าเราพอตื่นมาก็เริ่มคิดกันละคิดว่าจะทำอะไรดีคิดว่าจะต้องทำอะไรแล้วก็ไปทำกับสิ่งที่ต้องทำทำไปก็คิดไปคิดไปทั้งวันทั้งคืนก็เลยคิดว่าความคิดนี้เป็นเหมือนลมหายใจของชีวิตเราถ้าเราหยุดคิดแล้วเราจะอยู่ได้อย่างไรการจริงอยู่ได้ถ้าเราหยุดคิดได้นี้มันกลับเป็น ประโยชน์กับจิตใจแล้วมากกว่าเป็นโทษสอีกเพราะมันจะทำให้ใจเรานิ่งทำให้ใจเราสงบทำให้ใจเราเย็นทำให้ใจเราสบายทำให้ใจเราว่างไม่หนักอกหนักใจความหนักอกหนักใจต่างๆนี้เกิดจากความคิดของเรานี่นเองพอคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ก็ไปหนักอกหนักใจกับเขาคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ไปหนักอกหนักใจกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ แต่พอเราไม่ได้คิดปับ๊บความรู้สึกหนัก อ, อกหนักใจมันก็จะหายไปนี่แหละเป็นสิ่งที่จะทาสิ่งที่เราต้องทำให้ได้ก็คือหยุดความคิดนะพอเมื่อเราหยุดความคิดแล้วเราจะเห็นว่าเห็นโทษของความอยากว่าตอนที่เราคิดนี้เราอยากนู่นอยากนี่ใจเราวุ่นวายไปหมดนะหาความสุขไม่ได้หาความสงบไม่ได้แต่พอเรามาหยุดความคิดได้ ใจเราเย็นใจเราสบายไม่มีความหนักอกหนักใจไม่มีความรู้สึกเดือดเนื้อน้อนใจกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็จะเห็นโทษของความอยากเห็นโทษของความคิดที่คิดไปในทางความอยากเราก็จะพยายามที่จะมาฝึกทมาฝึกหยุดความคิดให้บ่อยขึ้นให้มากขึ้นจนสามารถควบคุมหยุดความคิดได้ดในเวลาที่เราต้องการ พอเราสามารถทำในระดับแรกได้คือควบคุมความคิดควบคุมความอยากได้นะจะเป็นแค่ชั่วคราวมันก็มันก็ดีกว่าไม่ไม่ได้ทำเลยพอเราสามารถทำได้แล้วเราก็จะเห็นคุณประโยชน์ของการหยุดความอยากหยุดความคิดเราก็อยากจะอยากหยุดอย่างถาวรการจะหยุดอย่างถาวรได้นี้เราต้องใช้เหตุผลมาสอนใจ สอนให้ใจเราเห็นโทษของความอยากให้เห็นว่าการที่เราไปทำอะไรตามความอยากนี่แหละเป็นตัวที่พาให้เราต้องไปเจอกับปัญหาต่างๆไป ม, มีเรื่องมีราวไปมีมีความทุกข์ความวุ่นวายใจกับสิ่งต่างๆนั่นเอง ถ้าเราไม่ไปหาอะไรเราก็ไม่ต้องไปวุ่นวายกับสิ่งที่เราต้องไปหาเราไม่ต้องไปวุ่นวายกับคนนั้นคน eh? like คนี้ไม่ต้องไปมีเรื่องมีราวกับสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่พอมีความอยากมันก็จะผลักดันให้เราไปไปยุ่งกับคนนั้นไปยุ่งกับเรื่องนี้แล้วก็ไปวุ่นวายกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ถึงแม้จะได้สิ่งที่เราอยากได้มาแต่ใจไม่มีความสุขสุขก็สุขเดี๋ยวเดียวสุขแบบดีใจ <Dell> <ries> เวลาได้อะไรมาก็ดีอกดีใจแต่ความทุกข์ใจกับมีเพิ่มมากขึ้นได้อะไรมาก็ต้องมาหวงมาห่วงมากังวลกับสิ่งที่เราได้และเวลาสูญเสียมันไปก็ทำให้เราเสียอกเสียใจอีกแต่ถ้าไม่มีอะไรกับสบายกว่าไม่มีอะไรต้องหวงไม่มีอะไรต้องหวงไม่มีอะไรต้องมาร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจด้วย อันนี้คือการใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นพิษภัยของการที่เราไปทําตามความอยากต่างๆว่าจะพาเราไปสู่ความทุกข์มากกว่าไปพาเราไปสู่ความสุขพอเราเห็นโทษของความอยากเราก็จะไม่ทําตามความอยากอีกต่อไปเราก็จะไม่ทําอย่างถ้าวอนทุกครั้งที่อยากมันก็จะรู้ว่าถ้าทําแล้วนะจะต้องทุกข์นะจะต้องมีปัญหาต่างๆตามมา ไม่ทำดีกว่าอยู่เฉยๆดีกว่าอยู่กับความสงบดีกว่าอยู่กับความเบา อ, อกเบาใจสบาย อ, อกสบายใจดีกว่าอันนี้ก็จะทำให้เราเลิกความอยากทั้งสามได้เลิกความอยากเสพการได้เลิกความอยากมีอยากเป็นได้เลิกความอยากไม่มีอยากไม่เป็นได้เมื่อเราสามารถกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ มันก็จะไม่มีอะไรชุดล่างให้เรากลับมาเกิดเดกต่อไปเมื่อเราไม่มีความอยากได้รูปเสียงกลิ่นนัน้นเราก็ไม่ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายพอร่างกายอันนี้ตายไปเราก็จะไม่กลับมาเกิดใหม่อีกต่อไปเมื่อไม่เกิดก็จะไม่ตายนี่แหละคือการประกันชีวิตคือจะทำให้เราไม่มีวันตายอีกต่อไป วันตายที่เรามีอยู่นี้จะมีแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวครั้งสุดท้ายเนี่ยพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์นี้ท่านตายครั้งสุดท้ายกันพอท่านได้เป็นพระพุทธเจ้าได้เป็นพระอาหารหันต์แล้วร่างกายที่ท่านใช้มาปฏิบัติธรรมนี้ก็จะเป็นร่างกายสุดท้ายของท่านร่างกายที่จะตายครั้งสุดท้ายเพราะว่าหลังจากนั้นไปแล้วท่านจะไม่ไปมีร่างกายอันใหม่ ท่านจะไม่ไปเกิดใหม่อีกเมื่อไม่ไปเกิดใหม่ไม่มีร่างกายอันใหม่ก็จะไม่มีร่างกายที่จะมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่นั่นเองนี่แหละถ้าพวกเราไม่อยากจะมาเจ็บไข้ได้ป่วยมีโรคภัยต่างๆเนี่ยทุกคนกลายมาในเดี๋ยวต้องเข้าโรงพยาบาลกันนั้นเดี๋ยวต้องไปหาหมอกันทั้งนั้นะ มีนัดกับหมอไว้นองหน้าแล้ว ร, รู้รู้หรือไม่ก็ตาม แ, แต่พวกเรานี่จองคิวกันแล้วจองคิวเข้าโรงพยาบาลกันแล้วเพียงแต่ว่ารอเวลาของคิวของบัตรก็เขาจะเรียกเบอร์เราเมื่อไหร่เทนั้นเองอเบอร์หนึ่งร้อยแปดสิบเชิญมาค่ะมาดูเรื่องโรคโรคโรคมาเร็งหน่อยนี่เป็นยังไงโรคนูน้นโรคนี้เดี๋ยวต้องเจอกันนะแต่ถ้าไม่มีร่างกายก็ไม่มีโรคที่จะ ที่จะเกิดขึ้นนะจะไม่มีร่างกายได้ก็ต้องหยุดหยุดความอยากต่างๆอย่าไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสหาความสุขจากการนั่งสมาธิดีกว่าถ้านั่งสมาธิทําใจให้สงบได้ใจก็จะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องไปไปหารูปเสียงกลิ่นรสมาให้ความสุขไม่ต้องไปมีแฟนไม่ต้องมีนั่นมีนี่มาให้ความสุข แต่ถ้านั่งสมาธิไม่ได้ใจมันก็ไม่มีความสุขมันก็เลยต้องออกไปหาความสุขทางตาหูจมกูกเล่นกายไปดูไปฟังไปกินไปดื่มไปเที่ยวไปเล่นกันแล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่พอเวลาร่างกายอันนี้ตายไปใจมันยังมีความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นนันใหม่อีกมันก็ต้องกลับมามีร่างกายใหม่อีกดังนั้นถ้าเราไม่อยากที่า กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอย่างที่เราเป็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้เราก็ต้องมาหาันนั่งสมาธิกันมาควบคุมความคิดกันต้องหยุดความคิดให้ได้ก่อนถ้าหยุดไม่ได้ใจก็ไม่สงบไม่เป็นสมาธิการที่ใจจะสงบให้เป็นสมาธิได้ก็ต้องมีเครื่องมือเครื่องมือที่จะทำให้ใจสงบเราเรียกว่าสติ การที่เราจะมีสติดได้เราก็ต้องมีกรรมฐานกรรมฐานคืออารมณ์ที่เราจะใช้ในการหยุดความคิดต่างๆนั่นเองตอนนี้เราคิดได้ทั้งวันแต่ถ้าเรามาใช้กรรมฐานเราจะหยุดคิดได้กรรมฐานก็มีหลายชนิดด้วยกันกรรมฐานที่ง่ายที่พวกเราใช้กันอยู่ที่เรารู้จักก็คือการบริกรรมพุทธโธพุทธโธนี่หรือการสวดมนต์นี่ ถ้าเราสวดมนต์ไปเรื่อยๆเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้หรือถ้าคิดก็ไม่ได้ก็ก็คิดไม่ได้มากเพราะว่าเราจะต้องคอยสวดมนต์เนี่ยถ้าเราตั้งใจสวดจริงๆนี่ความคิดจะเข้ามาไม่ได้เลยแล้วเราก็จะสามารถเลิกคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ไม่เชื่อลองทำดู วันไหนเราไม่สบายใจกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ลองมานั่งสวดมนต์ดูสักชั่วโมงหนึ่งนะสวดไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวก็ลืมเรื่องต่างๆไปนี่คือกรรมฐานการสวดมนต์ก็ดีการระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีเป็นกรรมฐานเป็นเป็นเครื่องเจริญสติจะทำให้เรามีความสามารถที่จะยับยั้งความคิดต่างๆได้ พอเรามีสติถ้าเรานั่งเฉยๆจิตก็จะสงบเป็นสมาธิได้พอจิตสงบเป็นสมาธิจิตก็จะมีความสุขซึ่งเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่เราได้จากการไปดูไปฟังไปกินไปดื่มเอมันก็จะทำให้เราเลิกไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายได้เปลี่ยนวิธีหาความสุขใหม่จากการ หาความสุขจากทางร่างกายก็มาหาความสุขจากสมาธิแทนจากการมานั่งสมาธิทําจิตใจให้สงบแทนนะพอจิตใจเรามีความสุขแบบนี้แล้วเราก็จะปลอดภัยเพราะว่าเราไม่ต้องใช้ร่างกายกต่อไปร่างกายแก่เราก็มีความสุขได้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็มีความสุขได้เพราะเราสามารถทําใจให้สงบได้ ไม่ว่าร่างกายจะอยู่ในสภาพใดก็ตามร่างกายตายเราก็มีความสุขเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิด<ม>นี่แหละคือวิธีของพระพุทธเจ้าคือมาหยุดความอยากมาทำใจให้สงบเบื้องต้นก็ใช้สติใช้กรรมาฐานเป็นเครื่องมือในการทำใจให้สงบแต่เป็นความสงบเป็นพักๆเวลาใดที่ไม่มีสติเวลาสติอ่อนกําลัง ความคิดมันก็จะกลับมาแล้วความอยากก็จะกลับมาถ้าอยากจะให้มันไม่มีความอยากก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจสอนว่าการทำตามความอยากนี้พาเราไปสู่ความทุกข์พาเราไปสู่ปัญหาต่างๆพาเราไปสู่การเกิดแก่เจ็บตายถ้าเราเห็นเห็นตามความเป็นจริงเราก็จะไม่กล้าทำตามความอยากอีกต่อไป เวลาอยากจะมีความสุขก็หาความสุขจากสมาธิดีกว่าปลอดภัยไม่มีปัญหาไม่มีพิษมีภัยไม่มีโทษตามมาอันนี้พอเรามีปัญญาแล้วเราก็จะเลิกทําตามความอยากต่างๆได้แต่จะเลิกได้เราต้องมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนเพราะว่าเวลาที่เราอยากมีความสุขแล้วเราไม่ไปทําตามความอยากเราก็ต้องมีความสุขอีกแบบมามา มารับรองก็คือความสุขจากการนั่งสมาธิแต่ถ้าเราเข้าสมาธิไม่ได้เราอยากจะไปดูหนังเราก็ทนไม่ไหวเดี๋ย mm. วก็ต้องไปดูอยากจะไปกินไปดื่มเดี๋ยวก็ต้องไปกินไปดื่มแต่ถ้าเรามีสมาธิเรามีทางทางเลือกทางทดแทนถ้าอยากจะมีความสุขจากการดูหนังก็ไปนั่งสมาธิดีกว่าอยากไปเที่ยวก็ไปนั่งสมาธิดีกว่า ถ้าทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปความอยากมันก็หมดไปแล้วเราก็จะหาความสุขจากการทําใจให้สงบเพียงอย่างเดียวใจของเราก็ไม่ต้องอาศัยร่างกายอีกต่อไปร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนแล้วพอร่างกายตายไปแล้วก็จะไม่กลับมาเกิดใหม่อีกต่อไปเมื่อไม่กลับมาเกิดใหม่ก็จะไม่มีการแก่การเจ็บการตายตามมาอีกต่อไป นี่แหละคือวิธีซื้อประกันชีวิตของพระพุทธศาสนาต้องจ่ายเบี้ยประกันคือต้องมาปฏิบัติจิตตภาวนาสมถภาวนาทำจิตให้สงบด้วยสติให้เป็นสมาธิแล้วก็มาสอนใจให้ฉลาดด้วยปัญญาเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาคือรู้แจ้งเห็นจริงว่าความอยากนี้เป็นอันตรายต่อจิตใจเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจ เป็นเหมือนยาพิษถ้าเราเห็นยาพิษแล้ว เ, เขาติดป้ายติดไว้นี่คือยาพิษนี่เราจะไม่กล้าไปแตะเลยแต่ถ้าไม่มีป้ายแล้วอาจจะคิดว่าเป็นเครื่องดื่มโนชะก็ได้เนี่ยคนที่ไม่มีปัญญานี่จะคิดว่าการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสจากลาบยศสรรเสริอนี่เป็นความสุขแต่คนที่มีปัญญานี้จะเห็นจะเห็นป้ายที่ติดอยู่มีมีกระโหลกศีรษะ ควายด้วยกระดูกสองสองชิ้นนะเพาโ อ, โอนี่อันตรายถ้าไปถ้าไปบริโภคเขาเราก็จะต้องตายอันนี้ก็เหมือนกันคนนี้มีปัญญาจะเห็นว่าการทำตามความอยากนี่จะมีแต่ความทุกข์ตามมายาวเยียดไม่มีวันสิ้นสุดถ้าไม่ทำตามความอยากความทุกข์ต่างๆก็จะหมดไปการที่จะต้องกลับมาเกิดมาตายก็เป็นอันสิ้นสุดลง นี่แหละคือวิธีจ่ายเบี้ยประกันชีวิตของพระพุทธศาสนาต้องมาเจริญปฏิบัติจิตตภาวนากันสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาถ้าทำได้รับประกันได้ว่าจะไม่ต้องกลับมาตายอีกต่อไปความตายนี้ครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของเราครั้งต่อไปจะไม่มีความตายตามมาอีกต่อไปเพราะเราจะไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปเพราะเราไม่มีความอยากกลับอะไรในโลกนี้อีกแล้ว ไม่มีความอยากได้ลาบยศรสรรเสริญไม่มีความอยากได้ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็ไม่รู้จะกลับมาหาอะไรกลับมาทาไมกลับมาทุกข์เปล่าๆก็จะไม่มีการเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่มีการเกิดก็จะไม่มีการตายอีกต่อไปนั่นเองนี่คือเรื่องของข้อพุทธศาสนาที่เปรียบเป็นเหมือนบริษัทขายประกันขายประกันสองชนิดประกันภัย ด้วยการรักษาศีลห้าละเว้นการเสพปบายามุขประกันชีวิตด้วยการปฏิบัติจิตตภาวนาเพื่อตัดความอยากต่างๆที่ฉุดากให้เรากลับมาเกิดพอไม่มีความอยากที่จะฉุดากให้เรากลับมาเกิดเราก็จะไม่มีการตายต่อไปก็ขอให้ท่านจงนำเอาไปศึกษาไป พ, พิจารณาได้ปฏิบัติการแสดงก็พอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวาหาปูราปรัลิโกเลนติสากลังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุ ป, ปกาปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิิตาตตสาเพปเรนตูสังกปะ จันโทปนาราโสยถามณีโชติอราโสยทาสัะพิติโยวิวาจันโตสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายสุขีทีขาโยโกภวะอภิวาตนสีริสานิจจังวุทาปะจายโน จตารโหทัมมาวัานติอายุวันโอสุขังภาลังลาดับต่อไปก็เป็นช่วงถามคำถามใครอยากจะถามอะไรก็เชิญถามได้ในช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความ เข้ามาก็ได้ถามได้จนถึงเวลาที่เราเลิกประชมุมกันแต่หลังจากเลิกแล้วขออนุญาตงดถามไม่มีหลังใหม่นะถ้าไม่แต่หน้าใหม่ถ้าไม่อยากจะใช้ใหม่ก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาวันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ วันนี้ทาง Facebook เข้ามา304ย t u b บ333วิทยุออนไลน์เจ็ดรับฟังข้างบนนี้61คนรวมทั้งหมด705ครับวันนี้สัญญาณดีมีคำถามทางบ้านไหมคำถามจากคุณยาตวี ถ้าเราป่วยรักษาไม่หายแล้วเราสั่งให้หมอฆ่าเราเราจะเป็นบาปไหมเจ้าคะและหมอจะบาปไหมเจ้าคะบาปสั่งคนสั่งก็บาปคนทำก็บาปเอออย่าไปฆ่าไวา้เดี๋ยวมันก็ตายเองอดทนเอาหน่อยพุโทโธพุโทโธแล้วก็จะไม่ทารมาใจเราจะได้ไม่ต้องไปตกนรกขมที่หนัก ถ้าฆ่าตัวตายนี่ต้องไปตกนรกเองฉะนั้นอย่าฆ่าดีกว่าถ้าไม่ฆ่าอดทนได้ตายไปอาจจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เลยก็ได้ไม่ต้องไปรอไปใช้บาปเพราะเราไม่ได้ไปทําบาปไว้เดี๋วถ้าทําบุญไว้ก็ไปรับผลบุญก่อนฉะนั้นอย่าทําบาปแม้แต่ฆ่าชีวิตของเราก็บาปและอาจจะหนักกว่าฆ่ามดฆ่าแมลงฆ่าอะไรอีก เพราะร่างกายของเรามีคุณค่ามีบุญมีคุณกับเรามากมากกว่าร่างกายของแมวของหมาของสุนัขของเป็ดของไก่เหตนนอยากฆ่าทำใจเสียยอมรับว่ามันเป็นอย่างนี้ก็ปล่อยมันเป็นอย่างนี้ไปถ้าไม่มีความอยากให้มันหายมันไม่มันไม่ทุกข์ทรมานเอะความอยากให้มันหายแล้วมันไม่หายมันเลยทำให้ทุกข์ทรมานใจ ถ้าทำใจได้ยอมรับว่ามันเป็นอย่างนี้ก็อยู่กับมันไปมันก็พอทนได้พอถูถ่ายกันไปได้เดี๋ยวมันก็หมดแรงของมันเองให้มันตายของมันเองดีกว่าจะได้ไม่ต้องไปสร้างบาปอีกต้องไปมีโทษเพิ่มขึ้นทาบาปก็ไปทาให้มีโทษเพิ่มขึ้นและเป็นบาปที่หนักด้วยทั้งชีวิตอาจจะรักษาศีลมาได้ตลอดแต่พอมา บัานปลายของชีวิตทนกับความเจ็บของร่างกายไม่ไหวก็ฆ่ า, า, าตัวตายอันนี้เป็นบาปที่หนักกว่าการที่เรารักษาศีลไว้ตลอดชีวิตนะครับคำถามจากคุณปียนันน์ถึงวิธีการแผ่เมตตาที่ถูกต้องครับว่าการทําการแผ่เมตตานั้นควรทําอย่างไรครับก็อย่างบินนี่ไงดูบินเป็นตัวอย่างมาจากบินมาลือฤทธ์ไห นั่นแหละ ก, กำลังไปแผ่เมตตาไม่ใช่นั่งสวดมนต์ขอให้น้ำท่วมหายไปขอให้เงินอาหารการกินของชาวบ้านกลับมามันไม่มาหรอกด้วยการนั่งสวดแผ่เมตตามันต้องเอาขนข้าวของเงินทองไปให้เขาอันนั้นเน่ยเรียวกว่าเป็นการแผ่เมตตาช่วยเหลือกันให้ความสุขต่อกันสุขีอัตนานปริหารันตุก อย่าราต้องช่วงปลายปีถึงก็ยมาส่งสอขอสอกันสักทีต้องส่งตอนที่เขาขาดแคลนตอนที่เขาต้องการความสุขอยากเราเรามีความสุขเราพอที่จะแบ่งให้เขาได้เราก็ควรที่จะแบ่งให้กับเขาไปนี่แหละคือการแผ่เมตตาที่ถูกต้องต้องแผ่ด้วยการกระทาไม่แผ่ด้วยการสวดการสวดนี่เป็นการสอนเป็นการฝึกซ้อม ให้เตรียมตัวไว้ว่าเดี๋ยวเราไปเจอเหตุการณ์นี้เราจ ะ, ะแผ่เมตตาได้หรือไม่เช่นไปเจอคนเขาเดือดร้อนขอความช่วยเหลือเราเราพอจะช่วยเหลือเขาได้เราจะยินดีช่วยเหลือเขาหรือไม่ถ้าเราไม่คิดไว้ล่วงหน้าก่อนกิเลสคือความหวงความตณิมันจะมาะมาขวางกั้นทันทีแต่ถ้าเราสวดไปก่อน ตรวเราก็ศึกษาว่าการแผ่เมตตานี้มันดีนะทาให้เราเป็นคนดีทําให้เรามีความสุขทําให้เรามีคนรักคนชอบเรามีคนคุ้มครองเราพอเราคิดถึงประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการแผ่เมตตามันก็จะทําให้เราเอาชนะความตนหนีความความขวงเข้าของเงินทองได้พอเห็นใครเขาทุกข์ยากเดือดร้อนพอเราช่วยเหลือเขาได้ก็รีบช่วยเลยเพราะนี่เราจะได้ แล้วเหมือนก็นได้ซื้อสินค้าที่เราอยากได้คือซื้อความสุขถ้าไม่มีคนทุกข์ยากเดือดร้อนเราก็ไม่ได้แผ่เมตตาเราก็จะไม่ได้รับความสุขที่เกิดจากการแผ่เมตตาพอเขาทุกข์ยากเดือดร้อนนี่แผ่เมตตาอย่างเมื่อวานนี้ญาติโยมที่มานั่งแเขาก็มาแผ่เมตตาเนี่ยเขาก็มีความสุขกันเอาให้ของของค่ากอบคนที่เขาขาดแคลน พอเห็นเขาแล้วคนที่รับก็มีความสุขน้องหงอน้องหงมน้องไห้ายดีใจอันนี้แหละเป็นการแผ่เมตตาต้องแผ่ด้วยการกระทําแต่ก็ต้องสวดสวดเพื่อเป็นการศึกษาแต่การศึกษาแบบเรานี้มันศึกษาผิดเพราะเราไปสวดภาษาที่เราไม่เข้าใจไปสวดภาษาบาลีแล้วเราไม่รู้ว่าการสวดนี้เป็นการศึกษาเป็นการ าเตรียมตัวในการแผ่เมตตาเรากลับไปคิดว่าเรากําลังแผ่เมตตามันก็เลยทําให้เราไม่ต้องไปแผ่เมตตาเวลาเราไม่ได้ส่วนเจอใครก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปใครทุกข์ยากเดือดร้อนฉันก็ไม่สนใจฉันแผ่เมตตาให้เธอแล้วคําถามต่อไปจากคุณอิทธิระถ้าผมได้เงินจาก รัฐบาลชิมชอบใช้ไปซื้อของนำไปทำบุญจะได้บุญไหมครับได้ก็เป็นเงินที่เราได้มาโดยสุดจริญแต่แม้เงินที่ได้มาด้วยทุจริตก็ได้บุญเหมือนกันเพราะบุญกับบาปมันคนละคนละบัญชีกันบาปก็ได้มาถ้าไปขโมออยเงินมาแล้วมาทำบุญบุญก็ได้ แต่มันมีบาปติดมาด้วยมีโทษติดมาด้วยแต่ถ้าได้เงินมาโดยไม่ได้ทำบาปมันก็ไม่มีโทษติดตัวมาได้แต่บุญอย่างเดียวคำถามต่อไปจากคุณเพนถ้าทำอาณาปานสติแล้วใช้สมาธิขั้นคณิกะทำวิปัสสนาปฏิบัติแบบนี้จะมีปัญหาในอนาคตหรือไม่ครับ มีเพราะว่ามันยังไม่ใช่ทีเวลาวิปัสสนาเนะีเวลาทําสมาธิก็ต้องให้มันเป็นสมาธินานๆยาวๆไม่ใช่แบบนกกระจอะกินน้ําแล้วก็ไปวิปัสสนามันก็เหมือนนอนหลับห้านาทีก็ปลุกขึ้นมาทํางานนี่มันก็ไม่มีแรงที่จะทําทงานใช่ไหมเวลาเราพักผ่อนหลับนอนนี่พอนอนไดห้านาทีทางออฟฟิศก็โทรมาเรียกไปทํางานนี้นอยากอยากจะไปไหม ไม่อยากไปหรอกเพราะมันยังไม่ได้พักผ่อนหลับนอนเต็มที่ปล่อยให้จิตได้พักผ่อนหลับนอนเต็มที่มีกําลังวางชาเพราอตื่นขึ้นมามันก็อยากจะไปทํางานเองอยั้นท่านเวลาฝึกสมาธินี้ไม่ใช่เวลาฝึกวิปัสสนาเวลานั่งสมาธิก็ให้มันสงบนานๆจนกระทั่งมันมันออกมาจากสมาธิแล้วอทีนี้ถ้าอยากจะไปพิจารณาทางปัญญาก็ไปได้ คำถามจากผู้ฝากถามครับเมื่อมีความทุกข์ทางใจมากๆสามีมีผู้หญิงอื่นดิฉันหาหนทางคลายทุกข์โดยการนั่งสมาธิเจ้าค่ะกําหนดลมหายใจแต่จิตฟุ้งซ่านเหลือเกินจนท้อมีวิธีกําหนดจิตอย่างไรบ้างเจ้าค่ะเพื่อให้ได้สมาธิการจะได้สมาธิก็ต้องฝึกสติการฝึกสติก็ ต้องฝึกตลอดเวลาหรือฝึกให้มากๆก่อนที่จะมานั่งสมาธิถ้าเราไม่เคยฝึกสติเลยมันก็ยากเวลานั่งมันก็ฟุง้งมันก็ไม่สงบฉะนั้นเราก็ต้องตอนนี้ก็ต้องรอให้เหตุการณ์มันสงบตัวไปก่อนให้เวลามันผ่านไปแล้วลืมเรื่องราวต่างๆใายจิตของเราฟื้นฟูกลับมาอยู่ในสภาพปกติ แล้วเราก็มาฝึกสมาธิมาฝึกสติกันเอาบทเรียนของอดีตมาสอนใจว่าเนี่ยการไม่มีสติการนั่งสมาธิไม่เป็นเป็นอย่างนี้เวลาเจอเหตุการณ์ทุกข์ขึ้นมาแล้วดับมันไม่ได้มันจะได้ทำให้เรา เ, <ม>เห็นคุณค่าคุณประโยชน์ของการฝึกสติของการนั่งสมาธิตอนนี้ถ้ายังทำไม่ได้ก็ต้องรับกรรมไปก่อนทนไปก่อน ถ้าฝึกสติไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้จะให้ทํำยังไงมันก็ต้องทนไปก่อนรอให้จิตสงบตัวลงให้เหตุการณ์มันจางหายไปก่อนให้เรื่องราวมันผ่านไปก่อนแล้วพอเรากลับมาเป็นปกติมาฝึกสติได้เราก็มาหัดฝึกสติกันแล้วเอาเหตุการณ์ในอดีตที่สะเทือนใจนี้มาเป็นบทเรียนคอยทิ้งเดินใจเราไม่ให้ประมาท ให้เรารีบฝึกสติกันฝึกนั่งสมาธิกันเพราะเดี๋ยวมันจะมีรอบสองรอบสามตามมามันเหมือนขับมวยยังมียกที่สองยกที่สามตามมาอกีกตอนนี้เป็นช่วงที่เร า, าพักยกกันก็ไปเตรียมตัวเตรียมซ้อมกันไว้เดี๋ยวพอยกที่สองมาเราจะได้ชนะมันได้เห็นถ้าตอนไหนที่จิตรับปกติแล้วก็ตอนนั้นเป็นตอนที่เราควรที่จะมาฝึกสติกัน จะมาฝึกตอนที่มันทุกข์มากๆนี่มันฝึกไม่ได้เพราะมันไม่มีกระจิตกระใจขณะจิตใจไม่ทุกข์ยังไม่มีกระจิตกระใจที่จะฝึกสติและเวลาที่มันทุกข์มากๆมันจะไม่มันจะมีกระจิตกระใจมาฝึกสติได้อย่างไรเห็นก็ตอนนี้ก็พยายามประคับประคองไปถ้าสวดมนต์ไปได้ก็สวดไปฟังเทศฟังธรรมได้ก็ฟังไป มีหลายวิธีที่จะช่วยบรรเทาความทุกความเครียดได้ไม่จำเป็นจะต้องใช้สติใช้นั่งสมาธิเพียงอย่างเดียวอันนี้มันเป็นขั้นสูงถ้าเราไม่สามารถก้าวสู่ขั้นสูงได้ก็เอาขั้นต่ำก่อนถ้ายังชิงเหรียญทองโอลิมปิกไม่ได้ก็มาชิงซีเกมก่อนมาหัดชิงซีเกมเอเชียนเกมก่อนก็ได้มาสวดมนต์ไหว้พระกันไปก่อน เดินจงกลมคอยยุบหนอคอยดูก้าวหนอวางหนออะไรไปเดินซ้ายขวาดูเท้าซ้ายเท้าขวาหรือท่องพุทโธพุทโธไปก่อนถ้ายัางนั่งสมาธิไม่ได้ก็มาทำในสิ่งที่เราพอจะทำได้ไปก่อนถ้าทำไม่ได้ก็ฟังเทศอย่างว น, นี้มานั่งฟังเทศมันก็ช่วยทำให้เราลืมความทุกข์ไปได้ช่วยขนาดหนึ่งสวดมนต์ก็จะช่วยให้ต่อไปมันก็จะลืม แล้วมันก็จะไม่ทุกข์ไม่เครียดตอนนั้ น, เ, นเราก็ควรที่จะมาฝึกสติให้มากขึ้นบอกเตรียมตัวว่าเนี่ยคราวที่แล้วเราประมาทเราไม่ได้ฝึกซ้อมไว้ก่อนพอเจอเหตุการณ์ก็สอบตกคราวนี้เราจะไม่ยอมสอบตกเราจะต้องเตรียมตัวทำการบ้านทำอะไรให้พร้อมดูหนังสือเดี๋ยวพอเจอข้อสอบเราก็จะได้สอบผ่านได้ ตามต่อไปจากคุณปรึกษาทำอย่างไรจะไม่ให้กลัวผีและเมื่อเห็นซากศพให้เกิดความเข้าใจครับก็ดูหน้าเราในกระจกเนี่ยนี่แหละนี่คือผีแท้เนี่ยเดี๋ยวเวลาไม่มีไม่มีลมหายใจมันก็กลายเป็นผีเนี่ยทำไมตัวนี้ทำให้ไม่ไปกลัวมันไอตัวที่ไม่เห็นกลับไปกลัวมันทำไมไอผีไม่เห็นกลับกลัวไอผีที่เห็นกลับไม่กลัวใช่ไหเนี่ย ผีไม่มาจากไหนถ้าไม่มาจากซากศพเนี่ยที่เรากลัวกันกลัวซากศพกันไม่ใช่เลยแล้วลที่เรามีนี่มันจะเป็นอะไรใน่น า, นาคดมันก็เป็นซากศพแน่นาคดเนี่ยก็บอกหน้ามันแล้วก็ยิ้มให้มันนะกูต่อไปกูจะต้องเห็นมึงจะต้องเจอมึงตอนนี้กูไม่กลัวมึงแล้วตักต่อไปกูจะไปกลัวมึงทําไมไมนเห็นมีอะไรน่ากลัวเลยถ้าใช้ใช้สติใช้ปัญญาคิดซะหน่อยนี่เอาใช้แต่ความอ่า ความอะไรความความหนงคิดมันมันก็เลยกลัวไปหมดเนี่ยแต่ใช้ความจริงคิดแล้วมีใครเจอผีได้มั้งมีใครจับผีได้มั้งก็ผีก็คือสร้างศพเท่านั้นน่ะที่กลัวกันแต่เวลามันมีลมหายใจมากอดกันนั่นเลยพอไม่มีลมหายใจนี่ดีดทิ้งเลยถีบทิ้งเลยนั่นแหละ ใจของเราเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอารมณ์มันจะไม่ใช่ความไม่ใช่เหตุใช้ผล ม, มันไม่ดูความจริงมันจะใช้ความรู้สึกเป็นตัวมาตัดสินพอไม่มีลมหายใจนี่เป็นผีแล้วไม่เอาแล้วถ้ายังมีลมหายใจอยู่หงวง่ากันตายใครมาแตะไม่ได้ คำถามต่อไปจากคุณแมนเนื่องด้วยเหตุปัจจัยทางกายเสื่อมลงจะทำให้สติอ่อนลงไปหรือไม่ครับมีวิธีอย่างไรที่จะรับมือกับกากับสติที่อ่อนลงเหมือนคนจะหลับแล้วมีความฝันเข้ามาแทรกเราจะกาหนดอย่างไรดีครับก็ฝึกสติไปเรื่อยๆสติมันไม่ได้อ่อนไปตามวัยของร่างกายสตินี้ยิ่งฝึกมนยิ่งเจริญยิ่งแข็งแกร่ง จนเป็นสติอัตโนมัติอย่างหลวงตาบอกสติอัตโนมัติไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหายมีสติรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาสติของระดับของพระอริยเจา้าเป็นสติระดับอัตโนมัติรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันพังไม่มีวันเผลอคำถามต่อไปจากคุณฟ้าใสหากเรานั่งฟังเทศกันต่างๆ แต่ฟังไม่รู้เรื่องเพราะเป็นภาษาต่างถิน่นเราจะได้บุญไหมครับถ้านั่งฟังแล้วไม่เข้าใจแต่ใจสงบใจไม่ฟุ้งซ่านก็ได้บุญในระดับของสมาธิถ้าเข้าใจก็ได้บุญในระดับปัญญาได้ความรู้ได้สัมมาทิฏฐิและการนั่งฟังเทศแต่ละวันมีแต่ละวันพระมีหลายกัน หากเราลุกไปผ่อนคลายแล้วกลับมานั่งฟังต่อจะได้ไหมครับได้ถ้าเป็นถ้าเราสามารถเปิดปิดมันได้ถ้าไปฟังสดถ้าลุกไปแล้วกลับมาฟังต่อมันก็จะฟังไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเป็นแบบที่เราบันทึกไว้สามารถที่พอเราต้องเข้าห้องน้ำเราก็กดพอดไว้ก่อนให้มันพักไว้ก่อนเดี๋ยวพอเราออกมาแล้วก็มากดฟังต่อก็ได้ถ้าจาเป็นจริงๆ ถ้าไม่จำเป็นก็ควรจะฟังให้มันต่อเนื่องให้มันจบไปเลยเพราะมันเป็นการฝึกสมาธิไปในตัวด้วยหมดแล้วเลยมีคำถามใหม่เข้ามาไห ม, มอาเมก็ถามต่อคำถามจากคุณบีมตอนนี้คุณแม่ป่วยด้วยเรือโรคหลอดลมตีบ ฝึกหายใจยังไม่ได้เกิดความวิตกกังวลไม่มีสมาธิฟุ้งซ่านควรทำอย่างไรครับก็นั่นแหละมันต้องมีสติมันถึงจะหายก็ฟังเทศไปก็ได้สวดมนต์ไปก็ได้ปัญหาคืออยากให้มันสงบแต่ไม่ยอมทำเหตุให้มันสงบกันไม่ยอมสวดกันไม่ยอมฟังเทศกันไม่ยอมฝึกสติไม่ยอมพุทโธกันมันก็สงบไม่ได้ มันก็ต้องรอให้เหตุการณ์มันมันมันคลายไป ล, ลืมเรื่องราวต่างๆไปมันก็ถึงจะสงบกลับมาได้แต่ถ้าอยากจะให้สงบเร็วก็ต้องใช้พุทธโธพุทธโธบาลบาลกรรมไปสวดมนต์ไปฟังเทศฟังธรรมไปสลับกันไปสามอย่างนี้ทําไปอยากจะทะําอันไหนตอนนี้อยากจะสวดก็สวดอยากจะฟังธรรมก็ฟังอยากจะพุทธโธก็พุทธโธ ทำอย่างนี้สามอย่างนี่รับรองได้เดี๋ยวความฟุ้งซ่านต่างากๆก็จะหายไปแต่ถ้าไม่ยอมทำมันก็ต้องรอให้มันหายไปเองคำถามจากผู้ฝากถามครับช่วงเข้าพรรษาประมาณห้าหกปีที่ผ่านมาเคยอธิษฐานพรรษาว่าจะตัดเรื่องกามเมแต่เวลาภาวนาและนอนจะฝันเห็นสามีมีผู้หญิงอื่นตลอด จนสับสนเหมือนจะบ้าเลยงดเราควรทำอย่างไรเจ้าคะถึงจะภาวนาได้มันไม่รู้ถามอะไรมันพูดเรื่องนอนเวลานอนนี่มันไปห้ามฝันไม่ได้หรอนจะจะถือศีลหไม่ถือศีลมันก็ยังฝันได้เรื่องราวต่างๆมันไม่มันไม่ได้เกี่ยวกับการถือศีลของเราแล้วไม่ถือศีลของเรา การถือศีลอย์เรามีไว้ใช้ตอนที่เราตื่นไม่ใช่ใช้ตอนที่เรานอนหลับไม่ได้ไปควบคุมความฝันอะไรต่างๆควบคุมการกระทาของเราที่ไม่ดีอย่าให้มันไปทำเพราะมันจะทาให้เกิดมีปัญหามีเรื่องราวต่างๆตามมาในภายหลังถ้าเรารักษาศีลได้ปัญหาต่างๆก็จะไม่มีหรือมีก็น้อยไม่มาก แต่เรื่องของความฝันนี้ไปห้ามไม่ได้เพราะมันเป็นผลของบุญของบาปที่เราทำมาในอดีตหรือผลที่เกิดจากการที่เราชอบคิดเรื่องอะไรต่างๆถ้าเราชอบคิดวิตกเรื่องสามีเวลานอนหลับมันก็จะฝันในเรื่องสามีนี่แลหละใช่ไหมดังนั้นเราก็ต้องมาฝึกสมาธิกันมาปล่อยวางสามีให้ได้ปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเขาอยากจะไปมีใครที่ไหนก็ห้ามเขาไม่ได้ ถ้าเราทำใจได้เราก็เวลานอนหลับก็จะไม่ฝันถึงเรื่องราวเหล่านี้แต่ถ้าเรามาคอยวิตกคอยกังวลคิดอยู่เรื่อยๆมันก็จะทำให้เราฝันถึงเรื่องราวเหล่านี้ต่อไปคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามการบริจาคทานให้ผู้อื่นสามารถแผ่บุญให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วได้ไหมครับ ได้ถ้าทำบุญแล้วไม่ว่าจะทำกับพระหรือทำกับเดชะฉานทากับโยมก็เป็นบุญเหมือนกันคือความอิ่มใจสุขใจเป็นเหมือนอาหารของดวงวิญญาณเนี่ยความอิ่มใจสุขใจนี้ก็เป็นอาหารใจใจตอนที่มีร่างกายเราก็เรียกว่าใจพอไม่มีร่างกายเราก็เรียกว่าดวงวิญญาณก็สามารถแบ่งความสุขใจที่มีอยู่ในใจของ ของเรานี้ให้กับดวงวิญญาณได้เพราะตอนนั้นเ็าหาเขาหาความสุขใจเองไม่ได้เพราะอยู่ในโลกทิพนี้ไม่ใช่เป็นที่หาบุญหากุศลต้องมารอมาเกิดเป็นมนุษย์ถึงจะมาทำได้ใน mm hmm. เวลาที่เขาตายไปคนที่เป็นมนุษย์นี้สามารถแบ่งบางส่วนให้กับเขาได้คาถามต่อไปจากคุณพัฒนาชัยถ้าแพทย์ต้องรักษาพระสงฆ์ที่อาพาธ ถ้าพระสงฆ์เป็นพระอาหารหันต์แพทย์ต้องเจาะเลือดท่านท่านเลือดไหลแพทย์จะเป็นบาปไหมครับไม่บาปมันไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายท่านเจตนาคือจะช่วยท่านรักษาท่าให้หา ย, ยไม่มีปัญหาอะไรมันอยู่ที่เจตนาถ้ามีเป็นเจตนาที่จะทำร้ายนั้นมันถึงจะเป็นบาป คำถามจากคุณเกณฑ์เป็นค า, ารวาสปฏิบัติให้ถึงพระนิพพานได้ใช่ไหมครับได้เป็นใครก็ปฏิบัติได้อยู่ที่ว่ามีความสามารถที่จะปฏิบัติเงื่อนไขที่จะทำให้ได้นิพพานหรือไม่เท่านั้นเองเพียงแต่ว่าการมาบวชเป็นพระนี่มันมีโอกาสปฏิบัติได้มากกว่าเพราะไม่มีภารกิจอย่างอื่นให้ต้องไปเสียเวลาด้วย แต่ถ้าเป็นพระคาราาวะาที่มีบุญไม่ต้องทำงานไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับใครอยู่คนเดียวอยู่แบบพระได้ก็สามารถปฏิบัติเต็มที่เหมือนกับพระได้แต่ต้องปฏิบัติให้ครบเงื่อนไขที่ต้องต้องมีคือต้องมีศีลบริสุทธิ์ต้องมีสติสมาธิที่ตั้งมั่นในฌานขั้นต่างๆแล้วก็ต้องมีปัญญาที่จะสอนใจให ห้ามความอยากต่างๆได้เวลาเกิดความอยากขึ้นมาหมดนั้วเลย อ, อยากจะถามอะไรไหมมาที่หลังนี่ไม่มีคำถามนะโอเคถ้าไม่มีคำถามก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา